การได้สัญญาสองประการพระผู้มีพระภาคตรัสพระดารัสนี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการได้สัญญาไว้สองประการคือ 1. การได้สัญญาที่ควรเสภสการได้สัญญาที่ไม่ควรเสพการได้สัญญาทั้งสองประการนั้นเป็นการได้สัญญาที่ตรงข้ามกันละกันเพราะทรงอาศัยเหตุอะไรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้เช่นนั้น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 บุคคลเสพการได้สัญญานนเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุญญญญศลธรรมเสื่อมลงคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มากด้วยอภิชามีสัญญาสหโรคด้วยอภิชาอยู่เป็นผู้พยายบาทมีสัญญาสหโรคด้วยพยายบาทอยู่เป็นผู้มีความเบียดเบียนมีสัญญาสหโรคด้วยความเบียดเบียนอยู่เมื่อบุคคลเสพการได้สัญญาเช่นนี้ อกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อบุคคลเสพการได้สัญญาเช่นใดอากุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีมากด้วยอภิชา มีสัญญาสหรครตด้วยอนัพิชาอยู่เป็นผู้ไม่พยายาทมีสัญญาสหรครตด้วยความไม่พยาบาทอยู่เป็นผู้ไม่มีความเบียดเบียนมีสัญญาสหรครตด้วยความไม่เบียดเบียนอยู่เมื่อบุคคลเสพการได้สัญญาเช่นนี้อกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นพระพุทธเจ้าค่าพระดารัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการได้สัญญาไว้สองประการคือ 1. การได้สัญญาที่ควรเสภสอการได้สัญญาที่ไม่ควรเสพการได้สัญญาทั้งสองประการนั้นเป็นการได้สัญญาที่ตรงข้ามกันและกันนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสไว้ การได้ทิฐิสองประการพระผู้มีพระภาคตรัสพระดำรัสนี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการได้ทิฐิไว้สองประการคือหนึ่งการได้ทิฐิที่ควรเสภสการได้ทิฐิที่ไม่ควรเสพการได้ทิฐิทั้งสองประการนั้นเป็นการได้ทิฐิที่ตรงข้ามกันและกันเพราะทรงอาศัยเหตุอะไรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้เช่นนั้น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 บุคคลเสพการได้ทิฐิเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีความเห็นอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงที่เส้นสวงแล้วก็ไม่มีผลผลวิปากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณ บิดาไม่มีคุณสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะก็ไม่มีสมณะพราหมผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกเมื่อบุคคลเสพการได้ทิฏฐิเช่นนี้อกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงพระพุทธเจ้าค่ะ บุคคลเสพการได้ทิฐิเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีความเห็นอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงที่เส้นสวงแล้วมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมีโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีคุณบิดามีคุณ สัตว์ที่เป็นโอปปปาติกะมีอยู่สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็มีอยู่ในโลกเมื่อบุคคลเสพการได้ทิฏฐิเช่นนี้อกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นพระพุทธเจ้าค่าพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวการได้ทิฏฐิไว้สองประการคือ 1. การได้ทิฏฐิที่ควรเสพ 2. การได้ทิฏฐิที่ไม่ควรเสพการได้ทิฏฐิทั้งสองประการนั้นเป็นการได้ทิฏฐิที่ตรงข้ามกันละกันนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสไว้ การได้อัตภาพสองประการพระผู้มีพระภาคตรัสพระดำรันนี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการได้อัตภาพไว้สองประการคือหนึ่งการได้อัตภาพที่ควรเสพสองการได้อัตภาพที่ไม่ควรเสพการได้อัตภาพทั้งสองประการนั้นเป็นการได้อัตภาพที่ตรงข้ามกันและกันเพราะทรงอาศัยเหตุอะไร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 บุคคลเสพการได้อัตภาพเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นคือเมื่อบุคคลยังการได้อัตภาพอันไม่มีความเบียดเบียนให้เกิดขึ้นเพราะการได้อัตภาพอันไม่มีความเบียดเบียนสิ้นสุดลงแล้วอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นพระดํารัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวการได้อัตภาพไว้สองประการคือ 1. การได้อัตภาพที่ควรเสภสอ 2. การได้อัตภาพที่ไม่ควรเสพการได้อัตภาพทั้งสองประการนั้นเป็นการได้อัตภาพที่ตรงข้ามกันและกันนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสไว้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทราบเนื้อความแห่งธรรมบรรยายที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อ ไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดานนี้โดยพิสดานอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละสารีบุตรเธอรู้เนื้อความแห่งธรรมบัรยายที่เรากล่าวไว้โดยย่อไม่ชี้แจงเนื้อความให้พิสดา น, นี้โดยพิสดานได้อย่างนี้ถูกต้องแล้วเรากล่าวคํานี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวกายยศมาจารไว้สองประการคือหนึ่ง กายสมาจารที่ควรเสพ 2. กายยมาจารที่ไม่ควรเสพกายยมาจารทั้งสองประการนั้นเป็นกายยมาจารที่ตรงข้ามกันและกันเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเมื่อบุคคลเสพกายยมาจารเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงกายยมาจารเช่นนี้ไม่ควรเสบ และเมื่อบุคคลเสพกายยศมาจารเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นกายยศมาจาร์เช่นนี้ควรเสพเมื่อบุคคลเสพกายสมาจาร์เช่นใด อกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์คือเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดชอบฆ่าสัตว์ไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้คือถือเอาทรัพย์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นที่อยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยความเป็นขโมยและเป็นผู้ประพฤติผิดในกราม เคยเป็นผู้ละเมิจารีตในหญิงที่อยู่ในปกครองของมารดาหญิงที่อยู่ในปกครองของบิดาหญิงที่อยู่ในปกครองของมารดาและบิดาหญิงที่อยู่ในปกครองของพี่ชายน้องชายหญิงที่อยู่ในปกครองของพี่สาวน้องสาวหญิงที่อยู่ในปกครองของญาติหญิงที่อยู่ในปกครองของตระกูลหญิงที่มีธรรมคุ้มครองหญิงที่มีสามีหญิงที่มีสินไหมติดตัวอยู่ โดยที่สุดแม้หญิงที่ชายคล้องพวงดอกไม้มั่นไวเมื่อบุคคลเสพกายยมาจาร์เช่นนี้อกุสนลธรรมเจริญขึ้นอุศนลธรรมเสื่อมลงเมื่อบุคคลเสพกายยมาจาร์เช่นใด กุศลธรรมเสริมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ละเว้นขาจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและสัตราวุธแล้วมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์เกือ้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่เป็นผู้ละเว้นขาจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้คือไม่ถือเอาทรัพย์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นที่อยู่ในบ้านหรือในป่า ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยความเป็นขโมยเป็นผู้ละเว้นขาจากการประพฤติผิดในกลามคือเป็นผู้ไม่ละเมิดจารีตในหญิงที่อยู่ในปกครองของมานดาหญิงที่อยู่ในปกครองของบิดาหญิงที่อยู่ในปกครองของมานดาและบิดาหญิงที่อยู่ในปกครองของพี่ชายน้องชายหญิงที่อยู่ในปกครองของพี่สาวน้องสาวหญิงที่อยู่ในปกครองของญาติ หญิงที่อยู่ในปกครองของตระกูลหญิงที่มีธรรมคุ้มครองหญิงที่มีสามีหญิงที่มีสินไมติดตัวอยู่โดยที่สุดแม้หญิงที่ชายคล้องพวงดอกไม้มั่นไว้สารีบุตรเมื่อบุคคลเสพกายสมาจาร์เช่นนี้กุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้น กลาคำนี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวกายรรสมาจารไว้สองประการคือหนึ่งกายรรสมาจารที่ควรเสภสองกายยสมาจารที่ไม่ควรเสพกายสมาจารทั้งสองประการนั้นเป็นกายรรสมาจารที่ตรงข้ามกันและกันนั่นเพราะอศาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าจีสมาจารไว้สองประการ และถึงเรากล่าวมโนสมาจารไว้สองประการเรากล่าวจิตุบาตไว้สองประการเรากล่าวการได้สัญญาไว้สองประการเรากล่าวการได้ทิฏฐิไว้สประการเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการได้อัตภาพไว้สประการคือ 1. การได้อัตภาพที่ควรเสภสการได้อัตภาพที่ไม่ควรเสพ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 การได้อัตภาพเช่นนี้ควรเสพเมื่อบุคคลเสพการได้อัตภาพเช่นใดอกุโสนธรรมเจริญขึ้นกุโสนธรรมเสื่อมลงคือเมื่อบุคคลยังการได้อัตภาพที่มีความเบียดเบียนให้เกิดขึ้น เพราะการได้อัตภาพที่มีความเบียดเบียนยังไม่สิ้นสุดลงอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงเมื่อบุคคลเสพการได้อัตภาพเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้น คือเมื่อบุคคลยังการได้อัตภาพที่ไม่มีความเบียดเบียนให้เกิดขึ้นเพราะการได้อัตภาพที่ไม่มีความเบียดเบียนสิ้นสุดลงแล้วอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นเรากล่าวคานี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการได้อัตภาพไว้สองประการคือ 1. การได้อัตภาพที่ควรเสสการได้อัตภาพที่มีควรเสพ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 อายตนะส2องประการ ส, สารีบุตรเรากล่าลวรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาไว้สองประการคือ 1. รูปที่ควรเสพ 2. รูปที่ไม่ควรเสพเรากล่าวเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูไว้สองประการคือ 1. เสียงที่ควรเสบ 2. เสียงที่ไม่ควรเสบเรากล่าวกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกไว้สองประการคือ 1. 1. กลิ่นที่ควรเสภสกลิ่นที่ไม่ควรเสพเรากล่าวรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นไว้สองประการคือ 1. รสที่ควรเสภสรสที่ไม่ควรเสพเรากล่าวโพธพะที่พึงรู้แจ้งทางกายไว้สองประการคือ1นึโพธะที่ควรเสบ2องโพธะที่ไม่ควรเสบ เรากล่าวธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจไว้สองประการคือหนึ่งธรรมารมณ์ที่ควรเสพสองธรรมารมณ์ที่ไม่ควรเสพเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทราบเนื้อความแห่งธรรมปัญญาตนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อ ไม่ทรงชี้แจงเนื้อความไว้โดยพิสดารโดยพิสดารอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสพระดารันนี้ไว้ว่าสารีบุตรเรากล่าวรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาไว้สองประการคือหนึ่งรูปที่ควรเสพสองรูปที่ไม่ควรเสพเพราะทรงอาศัยเหตุอะไรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้เช่นนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ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 เรากล่าวรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาไว้สองประการคือ 1. รูปที่ควรเสพ 2. รูปที่ไม่ควรเสพนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้ข้าพระองค์จึงกล่าวไว้พระผู้มีพระภาคตรัสพระดำรันนี้ไว้ว่าสารีบุตรเรากล่าวเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูและถึงเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูเช่นนี้ไม่ควรเสพ เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูเช่นนี้ควรเสบกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกเช่นนี้ไม่ควรเสบกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกเช่นนี้ควรเสบรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นเช่นนี้ไม่ควรเสบรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นเช่นนี้ควรเสบโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายเช่นนี้ไม่ควรเสบโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายเช่นนี้ควรเสฟ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 อกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงธรรมารมที่พึงรู้แจ้งทางใจเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อบุคคลเสพธรมมารมที่พึงรู้แจ้งทางใจเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นธรรมารมที่พึงรู้แจ้งทางใจเช่นนี้ควรเสพพระดารัตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าสารีบุตร เรากล่าวธรรมารมที่พึงรู้แจ้งทางใจไว้สองประการคือหนึ่งธรรมารมที่ควรเสพสองธรรมารมที่ไม่ควรเสพนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสไว้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทราบเนื้อความแห่งธรรมบรรยายนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยยอ่อไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดารโดยพิสดารอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละสารีบุตรเธอรู้เนื้อความแห่งธรรมบัรยายที่เรากล่าวไว้โดยย่อไม่ชี้แจงเนื้อความให้พิสดาร น, นี้โดยพิสดารอย่างนี้ว่าเรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้ว่าสารีบุตรเรากล่าวรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาไว้สองประการคือหนึ่งรูปที่ควรเซฟสองรูปที่ไม่ควรเสฟ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 เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าสารีบุตรเรากล่าวรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาไว้สองประการคือหนึ่งรูปที่ควรเสภสองรูปที่ไม่ควรเสภนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้และถึงเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูเช่นนี้ไม่ควรเสภเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูเช่นนี้ควรเสภ กลิ่นที่พึงรู้แจ like <ther> ้งทางจมูกเช่นนี <that> ้ไม่ควรเสภกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกเช่นนี้ควรเสภรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นเช่นนี้ไม่ควรเสภรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นเช่นนี้ควรเสภโพพภะที่พึงรู้แจ้งทางกายเช่นนี้ไม่ควรเสภโพธภะที่พึงรู้แจ้งทางกายเช่นนี้ควรเสภเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าสารีบุตร เรากล่าวธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจไว้สองประการคือ 1. ธรรมารมณ์ที่ควรเสพ 2. ธรรมารมณ์ที่ไม่ควรเสพเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นสารีบุตรเมื่อบุคคลเสพธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจเช่นใดอกุปสมณธรรมเจริญขึ้นกุปสมธรรมเสื่อมลงธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจเช่นนี้ไม่ควรเสพ และเมื่อบุคคลเสพธรรมรมที่พึงรู้แจ้งทางใจเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นธรรมรมที่พึงรู้แจ้งทางใจเช่นนี้ควรเสพเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าสารีบุตรเรากล่าวธรรมรมที่พึงรู้แจ้งทางใจไว้สองประการคือ 1. ธรรมรมที่ควรเสพ 2. ธรรมรมที่ไม่ควรเสพ นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้สารีบุตรเธอเพึ่งเห็นเนื้อความแห่งธรรมบัญญายที่เรากล่าวไว้โดยย่อนี้โดยพิสดารอย่างนี้สารีบุตร เรากล่าวจีวอนไว้สองชนิดคือ 1. จีวอนที่ควรเสพ 2. จีวอนที่ไม่ควรเสพเรากล่าวบินทาบาดไว้สองชนิดคือ 1. บินทบาดที่ควรเสพ 2. บินทบาดที่ไม่ควรเสพเรากล่าวเสนาสนะไว้สองชนิดคือ 1. ่เซนาสนะที่ควรเซสอ 2. เสนาสนะที่ไม่ควรเสพเรากล่าวหมู่บ้านไว้สองชนิดคือ หหมู่บ้านที่ควรเซสอ 2. หมู่บ้านที่ไม่ควรเสฟเรากล่าวนิคมไว้สองชนิดคือ 1. นนิคมที่ควรเซสอ 2. นิคมที่ไม่ควรเสฟเรากล่าวนครไว้สองชนิดคือ 1. นครที่ควรเซสอ 2. นครที่ไม่ควรเสฟเรากล่าวชนบทไว้2ชนิดคือ 1. ชนบทที่ควรเสฟ สชนบทที่ไม่ควรเสพเรากล่าวบุคคลไว้สองจำพวกคือ 1. บุคคลที่ควรเสภ 2. บุคคลที่ไม่ควรเสพเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทราบเนื้อความแห่งธรรมปัญญายนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อ ไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิดารโดยพิดารอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสพระดํารัดนนี้ไว้ว่าสารีบุตรเรากล่าวจีวรไว้สองชนิดคือหนึ่งจีวรที่ควรเสพสองจีวรที่ไม่ควรเสพเพราะทรงอาศัยเหตุอะไรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้เช่นนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อภิกษุเสพจีวรเช่นใด อากุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงจีวรเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อภิกษุเสพจีวรเช่นใดอากุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นจีวรเช่นนี้ควรเสพพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าสารีบุตรเรากล่าวจีวรไว้สองชนิดคือหนึ่งจีวรที่ควรเสพสองจีวรที่ไม่ควรเสพ นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสไว้ละถึงบินทบาตเช่นนี้ไม่ควรเสพบินทบาตเช่นนี้ควรเสภเสนาสนะเช่นนี้ไม่ควรเสภเสนาสนะเช่นนี้ควรเสภหมู่บ้านเช่นนี้ไม่ควรเสภหมู่บ้านเช่นนี้ควรเสภนิคมเช่นนี้ไม่ควรเสภนิคมเช่นนี้ควรเสภนครเช่นนี้ไม่ควรเสภ นคนเช่นนี้ควรเสพชนบทเช่นนี้ไม่ควรเสพชนบทเช่นนี้ควรเสพพระผู้มีพระภาคตรัสพระํารัสนี้ไว้ว่าสารีบุตรเรากล่าวบุคคลไว้สองจำพวกคือหนึ่งบุคคลที่ควรเสพ··สองบุคคลที่ไม่ควรเสพนั่นเพราะทรงอาศัยเหตุอะไรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้เช่นนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อบุคคลเสบบุคคลเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงบุคคลเช่นนี้ไม่ควรเสบและเมื่อเสบบุคคลเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นบุคคลเช่นนี้ควรเสบพระดารัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าสารีบุตรเรากล่าวบุคคลไว้สองจำพวกคือหนึ่งบุคคลที่ควรเสพ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 เธอทราบเนื้อความแห่งธรรมบัรยายที่เรากล่าวไว้โดยย่อไม่ชี้แจงเนื้อความให้พิดาร น, นี้โดยพิดารอย่างนี้ถูกต้องแล้วเรากล่าวคํานี้ไว้ว่าสารีบุตรเรากล่าวจีวรไว้สงชนิดคือ 1. จีวรที่ควรเสภสองจีวรที่ไม่ควรเสพเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นสารีบุตร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 2. จีวรที่ไม่ควรเสบนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้บินทบาทเช่นนี้ไม่ควรเสบบินทบาตเช่นนี้ควรเสบเสนาสนะเช่นนี้ไม่ควรเสบเสนาสนะเช่นนี้ควรเสบหมู่บ้านเช่นนี้ไม่ควรเสบหมู่บ้านเช่นนี้ควรเสบนิคมเช่นนี้ไม่ควรเสบนิคมเช่นนี้ควรเสบชนบทเช่นนี้ไม่ควรเสบ ชุณบดเช่นนี้ควรเสพเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าสารีบุตรเรากล่าวบุคคลไว้สองจำพวกคือ 1. บุคคลที่ควรเสพ 2. งบุคคลที่ไม่ควรเสพเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นสารีบุตรเมื่อบุคคลเสภ บ, บุคคลเช่นใดอกุศลธรรมจเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงบุคคลเช่นนี้ไม่ควรเสพ และเมื่อบุคคลเสบบุคคลเช่นใดอากัสรธรรมเสื่อมลงกัศนธรรมเจริญขึ้นบุคคลเช่นนี้ควรเสบเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าสารีบุตรเรากล่าวบุคคลไว้สองจำพวกคือ 1. บุคคลที่ควรเสบ 2. บุคคลที่ไม่ควรเสบนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้สารีบุตร เธอพึ่งเห็นเนื้อความแห่งธรรมบัญญายที่เรากล่าวแล้วโดยย่อนี้โดยพิสดารอย่างนี้สารีบุตรแม้ท่ากษัตริย์ทั้งปวงพึงรู้ทั่วถึงอัดแห่งธรรมบัญญายที่เรากล่าวโดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้ความรู้นั่นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่กษัตริย์แม้ทั้งปวงตลอดกาลนานแม้ถพรามทั้งปวง แม้ถ้าแพทย์ทั้งปวงแม้ถ้าสูตรทั้งปวงพึงรู้ทั่วถึงอัดแห่งธรรมบัญญายที่เรากล่าวโดยย่อนี้ได้โดยพิจารณาอย่างนี้ความรู้นั่นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่สูตรทั้งปวงตลอดกาลนานสารีบุตรแม้ถ้าโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกมูสัตรพร้อมทั้งสมณพราหมณ์ตลอดทั้งเทวดาและมนุษย์ พึงรู้ทั่วถึงอัดแห่งธรรมปัญญาที่เรากล่าวโดยย่อ น, นี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้ความรู้นั่นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกมูสัตรพร้อมทั้งสมณะพราหมตลอดทั้งเทวดาและมนุษย์ตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระสารีบุตร มีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลเสวิตบพาเสวิตตพสูตรที่สี่จบ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 ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภัยทั้งปวงที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากคนพาลมิใช่เกิดจากบัณฑิตอุปัตถวะทั้งปวงที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากคนพาลมิใช่เกิดจากบัณฑิตอุปศัรคทั้งปวงที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากคนพาลมิใช่เกิดจากบัณฑิต ไฟทั้งปวงที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากคนพานไม่ใช่เกิดจากบัณฑิตอุปธวะทั้งปวงที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากคนพานไม่ใช่เกิดจากบัณฑิตอุปสักคทั้งปวงที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากคนพานไม่ใช่เกิดจากบัณฑิตเปรียบเหมือนไฟที่ลุกลามจากไม้เรือนอ้อหรือเรือนหญ้าไม้แม้เรือนยอดที่เขาโบกทั้งภายในและภายนอกลมพัดเข้าไม่ได้ มีบานประตูปิดมิชิดหน้าต่างปิดสนิทฉะนั้นคนพานมีภัยบัณฑิตไม่มีภัยคนพานมีอุปทวะบัณฑิตไม่มีอุปทวะคนพานมีอุปสรรคบัณฑิตไม่มีอุปสรรคภัยไม่มีจากบัณฑิตอุปทวะไม่มีจากบัณฑิตอุปสรรคไม่มีจากบัณฑิตเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่า เราทั้งหลายจากเป็นบัณฑิตเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรหนาจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาเครื่องตรตรองพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เพราะภิกษุเป็นผู้ฉลาดในธาตุฉลาดในอายตนะ ฉลาดในปฏิจจสมุบาทและฉลาดในฐานะและอาฐานะอา น, นุนด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาเครื่องไตรตรอง